คนเราขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาตั้งแต่เกิดมานั่นแหละพอเกิดมาปุ๊บเราก็หายใจป๊บแต่เราขาดความรู้ว่าการหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรรู้ที่ต่อเนื่องเป็นอย่างไรเพียงแค่ง่ายๆของง่ายๆเราจะไปเอาตั้งแต่ของมันยักไปดินหลนแสวงหาตั้งแต่ธรรมแต่ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสร้างความรู้ตัวรู้กาย แล้วก็รู้จิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะของความคิดที่ผุดขึ้นมาผงแต่นจิตรู้ลักษณะของความสงบเรารู้ั้งแต่ชื่อของเขาว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้แต่เราต้องรู้หน้าตารู้อากาศรู้ลักษณะของเขาด้วยถึงจะเข้าถึงแล้วก็ตามทามความเข้าใจได้ด้วยว่าทำไมจิตของเราถึงเป็นธาตุของจิตเลย <c oughs> จิตของหลอดถึงเป็นธาตุของอารมณ์ <c oughs> ทาไมจิตของเลาถึงหลง เราอาจจะว่าเราไม่ลงถ้าเราได้มาเจริญสติที่ต่อเนื่องกันแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราไม่มีสติที่จะเข้าไปรู้จิตของเราได้เลยสติแบบปลุกโลกงงกอมอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติสติในหลักธรรมแล้วเราต้องทมต้องสร้างต้องรักษาต้องรู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จิตจะเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมจิตของเราเรามีกิเลสมากน้อยถึงขนาดไหน เราพยายามดูรู้ให้ทันรู้จักแก้ไข ร, รู้จักปรับปรุงตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจจะทำของอยากให้เป็นของง่ายทาของง่ายให้เหมือนกับไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เอาเราละความยากอคติของเราให้หมดดับความยากทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียทำหน้าที่ให้ถูกต้องเสียสำรวจกายของเราทำหน้าที่อย่างไร ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสจินเสียงสัมผัสต่างๆดูจิตของเราหรือว่าวิญญาณนั่นแหละดวงจิตของเรานั่นแหละเวลานี้เขาทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยทั้งยึดด้วยทั้งเป็นธาตุของอารมณ์ด้วยสารพัดอยา่างแต่เราไม่แก้ไขตัวเราแล้วไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยเราต้องฝึกผลกระหนับแล้วกระหนับอีกกนาบแล้วกรนับอีก ไม่ให้จิตของเราเป็นธาตุของกิเลสไม่ให้จิตของเราลงนะครู้จักเจริญพรมมีหารจเจริญสร้างตระบะบรมีให้มีให้เกิดขึ้นให้เต็มที่ความเสียสละของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเสียสละการให้อภัยทานอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีมีความจริงใจตัตวเราเองมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีความแข็งกระด้างว่านอนสอนง่าย ใช้ตัวเองให้ถูกใช้ตัวเองให้เป็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรกุศลอะไรคืออกุศลอะไรคนเจริญอะไรควรลจําว่าอาตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรเราต้องพยายามเจาะให้รู้เท่าทันอริยสัจ ส, สี่เป็นอย่างไรทุกขโมทไทยนิโรธมักเป็นอย่างไรทุกกายของเรานี่ก็ก่อนทุกจิตของเรานี่แหละมันเกิดเกิดดำดำ มันปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้นั่นแหละสมุทัยที่ส่งออกไปภายนอกจะเรียกว่าทุกข์เราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนยังแค่ความสงบระ ง, งับเอาไว้อันนี้ก็เปรียบถึงเหมือนกับหินทับยาหรือสมถทะภาวนาถ้าเราหมัน่นสังเกตมันวิเคราะห์จนกว่าจิตของเราจะคลายออกจากขันท่าคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์ตามทําความเข้าใจ ให้จิตรับรู้อยู่ในความว่างเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนัตตาเข้าใจในเรื่องอิจานิจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าถ้าเขาเกิดเกิดดับดับมันไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้มีกันทุกคนถ้าสังเกตไม่แยบขายจริงๆก็อยากที่จะเข้าถึงตรงนี้สังเกตให้แยบขายถึงวาระเวลาเขาก็จะแยกออกจากกันอวิชาก็หายวิชาก็ ขุดขึ้นมาสัมมาทิทฐิความรู้แจง้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้เย็งแค่เริ่มต้นตามทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องแสวงหาต้องทำความเข้าใจตัวว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดเป็นเรื่องของคนหนึ่งเป็นเรื่องของตัวเราเองทุกคนที่จะเดินได้ถึงจุดหมายคือความหลุดพ้น เราเข้าใจวิธีเราเข้าใจแนวทางแล้วก็มันทําในใจมันสำเน็กอยู่ในใจทุกปริยาบทจนดูจนรู้ จ, รจิตจะเกิดส่องออกไปภายนอกเรารู้จักดับจิตจะเกิดกิเลสเราก็รู้จักดั บ, ดดบความคิดผุดขึ้นมาเราก็ตามทําความเข้าใจดูให้จิตรับรู้เราเรื่องอะไรบ้างภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ า, วาฟังเป็นอย่างไร อะไรคือธาตุสี่อะไรคือดินน้ำลมไฟอะไรคือนิวรธรรมนิวรธาเราต้องรู้ให้หมดทุกอย่างอะไรคือมวนทินจิตของเราเกิดความปิจฉาหรือยาหรือไม่จิตของเราเกิดความตะนีเนาะแน่นหรือไม่สารพัดอย่างที่เราจะเข้าไปแก้ไขตัวเราเองมีให้เป็นทำให้เป็นเอาให้เป็นไม่ให้จิตเกิดความอยากแม้แต่นี้เดียว แต่คนทั่วไปทั้งจิตเกิดความอยากด้วยทั้งทะเยอทายานอยากด้วยทั้งอยากด้วยทั้งหวังด้วยทั้งยึดด้วยมันทุกอยู่ในตัวเลยจิตนี้ก็แปลถ้าคนเราขาดการฝึกหัดปฏิบัติเขาก็เกิดอยู่อย่างนั้นแหละเาก็วิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเาก็หลงอยู่อย่างนั้นหลทั้งความคิดผล่ขึ้นมาพงแต่งจิตทั้งจิตของเร า, เาก็ากระโดดเขาไปรวมเป็นสิ่งเดียวกันไปด้วยกัน กำลังสติของเราต้องตามแยกตามทำความเข้าใจตามดูตามรู้หาเหตุหาผลจนจิตรู้ความจริงแล้วเขาถึงจะคลายเขาถึงจะเบื่อหนายถ้าทําอย่างพวกเราทำเล็กๆน้อยๆมันก็ได้แค่ความสงบความสงบบ้างไม่ได้บ้างมันก็แค่นั้นเดินปัญญาไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะให้เดินปัญญาให้ได้ต้องขยันหมั่นเปลียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืน มันดูมันรู้มันดูมันรู้อะไรคือสติอะไรคือความบริสุรู้ตัวอะไรคือจิตลักษณะของจิตลักษณะของความบ้างลักษณะของความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตของเราได้อย่างไรจิตเกิดความอยากตรงออกไปข้างนอกทักกี่ครั้งทัานตื่นขึ้นมาจิตของเราตรงออกไปข้างนอกทักกี่ เ, เรื่องเรื่องอะไรมาทําให้จิตของเราเกิดความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราทักกี่อย่างเป็นกุศลหรือว่าอกุศลความบริสุทธิรู้ตัวของเรา upload, พลั้งเพลิงไหม เราต้องขยันหมั่นเพียรในการค้ำโรดตรวจตาดูอยู่จนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้กำลังความรละลึกรู้ตัวสติไม่ต่อเนื่องเราก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องอยู่คนเดียวเราก็ระลึกรู้ลมหายใจรละลึกรู้กายรละลึกรู้จิตเวลาจะ ก, ก้าวจะเดินก็สร้างความรู้สึกรับรู้อยู่ที่การเดินใหม่ๆก็ฝึกถ้าแยกแยะทำความเข้าใจได้ตามทำความเข้าใจได้ ไม่เจ็ดพลานสติของเราก็จะเป็นมหาสติจนกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขานรอบรู้ในดวงจิตรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในโล ก, กธรรมเอาไปใช้กับสมมุติได้ตลอดเวลาต้องป่าปันอุปสรรคมากมายจนถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราเพียงแค่ทำเล็กๆนน้อยมันก็ได้เล็กๆ น, น้อยนั่นแหละมันไม่ได้มากร แต่ก็อย่าไปทอดทิ้งไม่เหลือวิสัยถ้าถึงวะเวลาแล้วอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์บา ร, รมีของเราเต็มก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางถับอะไรที่เรายังปักป่อยดับไต่ที่เรายังเดินยุกมันเดินถ้าเรามีสติและลึกรู้ตัวอยู่ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละคือการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยาบทท่อนั้นเองสติปัญญา ความบ้างความมือสุดเขาก็จะรักษาเราแต่ถึงเวลาเวลาใหม่ๆแล้วสติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาปัญญาไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาความบ้างไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาโดยจักดูแลรักษาเขาประคับประคองเขาถึงเวลาเวลาแล้วเขาก็จะกลับมารักษาเราเองนั่นแหละการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเป็นธาตุของกิเลสมันไม่ดีมันเป็นทุกข์เขาก็ไม่เอาเขาก็จะอยู่ในความสงบความปุกความบ้าง ว่างที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่างที่ปราศจากกิเลสว่างที่ปราศจากความทะเยอทยันยาเป็นความสุขที่ถาวรความสุขข้างนอกเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีตามสภาพตามสภาวะของสมมติเราก็ได้เองได้ทั้งทรัพย์ใยนอกได้ทั้งทรัพย์ใยในถ้าเราไม่ทําแล้วใครเขาจะทําให้ละ่ะเราก็ต้องพยายามทําพยายามสร้างกันเอานะอันนี้ก็เพียงแค่เราให้ฟังแต่และ ว, วันก็เล่าของเก่านี่แหละ ไม่ได้เล่าของใหม่หรอกก็ของเก่านี่แหละขึ้นมาเล่าเป็นสิบยสิปีแต่พวกเรายังทากันไม่ได้ต่อเนื่องจะไปเอาตั้งแต่ผลเอาตั้งแต่ไฟเหตุแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเจริญสติตั้งแต่ลุกขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวก็ยังทากันไม่ได้แม้แต่การหายใจเขาออกก็ยังรู้ไม่ต่อเนื่องจะไปเอาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ความสะอาดความบริสุทธิ์ความกติณความดุดพ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องเริ่มต้น ตำรวจตรวจตาตรวเราสมมุติของเราลาบปลือดไหมบริบูรณ์ไหมอะไรติดขัดไหมพะละอะไรที่มันยังก็ต้องแก้ไขปรปับปรุงเรามีความขยันมันเพียนมันชำละสงังเกตุจิตของเราหรือไม่เราก็ต้องพยายามน้อมพิจารณาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทํำเราก็จเจริญสติได้ต่อเนื่องกันไหมกิเลสต่างๆมันเป็นอย่างไรกิเลศหยาบรู้ว่ากิตเรศละเอียด กิเลสเกิดขึ้นจากภายในใจของเราโดยตรงรู้ว่าเหตุเกิดจากข้างนอกมันทาให้ใจของเรามันเกิดหรือว่าเกิดขึ้นมาโดยอาการน้งขันห้าเราจําแนกแจกแจงได้ไหมปัจจุบันขณะตื่นตัวอยู่นี้อกิเลสมันมาหลอกเราได้อย่างไรเราทําความเข้าใจให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วบางทีมันเล่นงานเรางานที่เราตื่นตัวไม่ได้มันยังไปเล่นงานเราอยู่ในนิว อ, อยู่ในนิมิตอีกหนดสาราพัดอย่ากที่มันจะเข้ามาเล่นงาน บางทีจิตก็หลอกจิตจิตหลอกจิตเป็นอย่างไรขันห้ามาหลอกจิตเป็นอย่างไรสติมารหลอกตัวเองเป็นอย่างไรมันหลายอย่างสลับทับ้อนกันมากทีเดียวถ้าเราไม่เก็บรายละเอียดเล็กๆ น, น้อยๆแต่ละวันแต่ละวันจิตของเรามันเกิดระดับความเกิดได้ทั้งกี่เรื่องระดับได้ระดับไห น, นระดับรุ่นเหตุระดับกลางเหตุระดับปลายเหตุระดับต้นเหตุแล้วกบเริ่มก่อตัวเราก็ดับ เราละเราดับทีนั้นทีนั้น ท, นนทีนี้มันก็บรรลุกำลังของมันไม่ให้มันเกิดเราสติปัญญาไปเกิดแทนหรือเราดับภายในไม่ได้เราดับช่วงกลางช่วงมันเกิดมันออกแสดงออกทางกายเราหลายอย่างแสดงออกทางวิจารเราหลายอย่างถ้าออกทางกายทาง ว, าจาวิจารเราก็รู้จักควบคุมกายรู้จักควบคุมวิจาถ้าเราควบคุมกายควบคุมวิจาไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาหลบดีจะกอดอันนี้ใหม่เลยปล่อยให้มันเกิดอย่างเดียว สารพัดเรื่องที่มันจะวิ่งที่มันจะลกอย่าพากันมัวเมาเล่นต้องขยันมั่นเพียรสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดให้เต็มที่ก็ต้องพยายามออก